อสําหรับวันนี้ก็จะขอต่อเรื่องเกษินเพราะว่าวันเสานี้เรามาจบเรื่องแค่ปฐวีเกษินแล้วก็ในวันนั้นเราพูดกันถึงวิธีปฏิบัติแล้วก็ผลที่เพิมได้าจากเกษินทุกอย่างที่จัดเป็นเกษินกลางอันนี้ต้องจําไว้นะเพราะว่าการเรียนเพื่อกรรมฐานมันมีอยู่สองแบบต้องแบบสายมหาสติปัฏฐานในสูตรอันนี้ไม่ต้องเลื่อยจริ แพราว่าถ้าตามสายกรรมฐานสี่จิตต้องเรื่องเจริอันนี้ละเอียดมากเพราะว่าสายมหาสติฐานในโสจะเป็นสายสุขวิปัสสโกคำว่าสุขวิปัสสโกก็หมายถึงว่าการบรรลุมรรคผลโดยไม่เห็นอะไรไม่มีทิฏฐิขริยานไม่มีริสไม่มีเดชแต่ในเชิงว่าจิตบริสุทธิ์จากกินเหล็กโดยเฉพาะถึงจิผ่านได้เหมือนกัน นี่สำหรับสายกรรมฐานสี่จิตนี่ก็ปฏิบัติมาได้ทั้งสี่สายคือสุขาวิปัสสโกเตวิโชชละปิญโยปฏิสัมมิทัปปโตมีท่านที่จะปฏิบัติเตวิโชชะละพิญโยปฏิสัมมิทัปปโตขัมมตีวิโชหมายถึงมีชาสามมีที่เป็นจุภิญานเป็นต้นชละปิญโยเนียแก่ปัญญาหกมีฤทธิ์มีเดช ใน ม, มิตรอะไรตร่ออะไรได้ตามที่เขาเล่าเลยกันนี้เป็นของจริแล้วก็ปฏิสัมมิทัพโตนี่มีความรู้ไประณีตละเศษออกไปหมายความว่าถ้าครับว่าทําใดที่ก็กล่าวโดยย่อก็ขยายความให้ถูกต้องได้ทําใดที่กล่าวมาโดยละเอียดก็ยอ่อเนความให้สั้นได้ <c oughs> แล้วก็สามารถทรงพระไตรวิฎกคือรู้รอบทุกอย่างโดยไม่ต้องเรียน นอกจานั้นก็รู้ภาษาสัตว์ทุกอย่างธรรมสัตว์นี่มันไม่คนดีสัตว์ทุกประเภทไม่ว่าภาษาอะไรหมดถ้าได้ปริสัมพิทาประตูทึบหรือว่าที่เรียกว่าปริสัมพิทายานรู้ทุกอย่างโดยไม่ต้องเรียนนี่คือมีความรู้ปมีพิเศษมีการปฏิบัติแบบนี้ต้องรู้กรรมฐานสี่สิบอย่างนี่การเรียนเพื่อกรรมฐาน ถ้าเรารู้จะเพาะอย่างไรอย่างหนึ่งนันมันคุ้มตัวได้ถ้าตรงอัจฉิยะใสพวกเราโดยจะเพาะอันนี้เราช่วยตัวเราเองได้แต่ถ้าหากว่าบางเอิญเราจะเป็นครูสอนใครขเขาบ้างบางทีเราก็ไม่อยากเป็นครูแต่เขาบาังคับให้เป็นครูอย่างคุณริีเป็นนายทหารผู้ใหญ่เหรอใหญ่หรือยังย้ามใหญ่ดิ คนทหานมันไม่ไหวแล้วท่านพงษ์เขาโกงพันนึงไปเลยใช่ไหมก็รียกว่านายทหารผู้ใหญ่แล้วตัวเองอาจจะไม่รู้ว่าใหญ่แต่ว่าเด็กมันว่าใหญ่ใช่ไหมก็กลับไปที่ถามว่าเออนี่ไปเรียนแล้วก็มาถามว่ามีอะไรบ้างพขก็ ถ, า, ถามก็บอกมาเห็นมีอะไรไม่จะพุโทโธพุโทโธอย่างเดียวเจ๊งใา่คุณเจ๊งเลยเขาจะหาว่านี่ไปเรียนแบบโวยโวยไปจากไหนเนี่ย แม้ว่าถามว่าถ้ากรรมฐ า, านที่พระพุทธเจ้าทรงสอนต้องแบ่งจริฑ์จะเป็นหก อ, อย่างแต่ได้อย่างเนี่ยเราควรใช้อะไรเพียงแค่ปฏิบัติเจตเอวังสีฮะเพราเรารู้แต่เป็นพุดโธอย่างเดียวอันนี้ไม่ได้เพราทําไมจริงต้องใช้กรรมฐ า, านให้ตรงกัจริตอันนี้ประเดี๋ยวผมจะพูดแต่ปากประเดี๋ยวจะไปเจตตัวจริงในเรื่องของกระแสสิทธิ์ <c oughs> วันนี้ก็ว่ากันถึงอะไร ปฏิวีเตโชของเรียงถูกไม่ถูกกระชังมนันมันครบสี่ไปเลยนะนะแล้วเราจะมาทายกลางในอยู่ไทัยสองจะสิงกลางในมีหกคือปฏิวิจาสิ์เตโช ว, วายโยอาโกธาดตินน้ำลมไฟเป็นกระสิงกลางจะดิษอะไรก็ปฏิบัติได้แล้วก็ไปต่อไท้ายสองอย่างคืออากาศจาสิงจะอารโล ก, ละกระสิง อีกสองอย่างนี้เป็นกระสีกลางเหมือนกันปฏิบัติได้ทุกจริตไม่ว่าจริตไหนทั้งหมดปฏิบัติได้จะเป็นราชาจริตโทสะจริตโมหะจริตปีตกจริตศรัทธาจริตพุทธาจริตใช้ได้หมดก็ควรแล้วก็มีอรูปฌานอีกสี่คืออากาสัญญายาตนะวิญญาณัญจาญตนะอากิจัญญาลัตญาตนะมีวสัญญาณสัญญาญาตนะ อีกที่ย่อมรวมเป็นสิบอย่างด้วยกันในกรรมฐานสี่สิบมีกรรมฐานกลางที่สิบอย่างซึ่งไม่เลือกอสิยาใส่ทุกบุคคลผู้ปฏิบัติเว้นไว้แต่เพียงว่าสําหรับอรูปสี่อรูปฌานสี่ที่มีอากาสานานจายตนะเป็นตน้นอันนี้คนที่จะปฏิบัติต้องได้กต่สิ่งข้อใดข้อหนึ่งเสียก่อนหรือ ว, ว่ากองใดกองหนึ่งทั้งฌานสี่เสียก่อนจึงจะปฏิบัติได้ ฉะนั้นกรรมฐานสําหรับจริตมีสามสิบนี่เป็ความสำคันมากถ้าเราปฏิบัติไม่ตรงกับสุดหรือว่าจริตเราแบบไหนจะไปปฏิบัติกีิเข้าวไม่มีผลประเดี๋ยวพบนี่ต่อไปก็จะพูดถึงเตโชกัสิงค์กับสิงไฟคําว่ากับสิงไฟเตโชแปลว่าไฟเราใช้ไฟเป็นิมิต ตามรูปตามแบบพระพุทธเจา้าให้เจ้าช่องวงกลมเข้าไว้แล้วก็จุดไฟไว้ภายในเพ่งแสงไฟลรล้เพ่งตัวไฟไม่ให้แสงแล้วตัวไฟแต่ว่าไอ้เปลวไฟนี่ไม่ให้ถือเอาไฟเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นมันสายบอแปบบอกแก็ได้อาหารท่า น, ทนบอกไม่ให้ถือเอาให้ถือเอาจะพกาะสีของไฟโดยเฉพาะ ก็ เ, เพ่งสีไฟแล้วก็ลืมตามองดูให้จำสีไฟได้แล้วก็หลับตานึกถึงภาพไฟพันานาในใจวตีโชกสีนาเนี่ยแสงไฟนี่ถ้าหากว่าเราพิจารณาเพ่งไปจับรูปไฟก็เหมือนเหมือนกับที่เราพูดกันทั้งเรื่องปัวีตสิน <c oughs> จับรูปไฟได้แล้วแสงไฟก็จะกลายไป ค้าเข้าถึงอุกกหบาิมิต <c oughs> ทีแรกเราเรียกกันว่าอุกกาบาิมิตได้เล็กๆ น, น้อยพอจะเริ่มเข้าถึงปฏิภาคขนลิมิตแสงไฟจะกลายเป็นสีเหลือง อ, อ, อ่อนๆถ้าต่อไปก็กลายเป็นสีขาวและในที่สุดถ้าเป็นปฏิภาคขนลิมิตก็เป็นสีประก่ยนสีหมอนกัน นี่เป็นอนุญาตสินทุกอย่างถ้าทําถึงจุดสูงสุดก็เข้าถึงเป็นสีเป็นกลายพึกเป็นแท่งพึกแปลดุแปลราบเราจะบังคับไปสูงก็ได้สั่ำก็ได้เล็กก็ได้ใหญ่ก็ได้ไว้ข้างน้าก็ได้มาไว้ข้างหลังก็ได้แต่ว่าภาพที่เห็นนี่ไม่ได้เห็นเป็นภาพลอยมาคือเป็นจิตที่เราจําภาพภาพไปเดิมมันได้อย่าลืมนะ เวลานั่งหลับตาลงไปภาพอะไรลอยมาอย่างนู้นอย่างนี้ไปสือยังงมันเจ้งใช้อะไม่ได้เขาไม่ถือเอาจะเอาจะเพราะภาพเดิมที่เราจับเอาไว้แต่ว่าบางเอิมภาพภาพไฟมันเปลี่ยนสีก็ปล่อยมันนี่มารู้จากทางใจนยความสวา่างเกิดทางใจสีจากสีเดิมเปลี่ยนไปสีเหลือง อั่อนแล้วก็เหลืองหลักขึ้นมาต่อไ่มาจากสีเหลืองเป็นสีขาวจากสีขาวเป็นสีแก้วแก้วเปล่าเหมือนแก้วประกายอย่างนี้จัดว่าเป็นอัปปนาสมาธิอันนี้ครับว่าจะพูดถึงอารมณ์ชา่ก็หันไปดูปทวีก็สีเหมือนกันอันนี้กลับไปตอนนนแต่เสียอธิบายมันก็เสียเวลาเปล่า นการเจริญเตโชกสินเตโชกสินในความจริงเป็นปัจจัยของทุฏฐิปุญญาถ้าใครเจริญเตโชกสินได้คนนั้นก็เห็นสีเห็นเทวนานได้แบบสบายเพราะการเจริญเตโชกสินนี่เป็นส่วนหนึ่งที่จะทําเป็นเหตุให้เราได้ทุฏฐิปุญาาสําหรับอนุภาพของเตโชกสิน นี่เราว่ากันเป็นเรื่องกระสินยังไม่เป็นนิัพสนา ญ, ญาณนิพพสนา ญ, ญาณมันก็เหมือนกันหมดเปลงท้ายเหมือนกันอนุภาพของเตโชกระสิก็หนึ่ง <c oughs> ที่ไหนถ้ามีความมืดเราต้องการให้มีแสงสว่างเราก็ใช้เตโชกระสินเป็นเครื่องช่วยโดยอันดับแรกตั้งจิดคิดว่าแสงสว่างจงปรากฏขึ้นตรงนี้ แล้วเข้าเข้าสมาธิเพง้ชานสี่เอาให้หลังมาอยู่ประจารสมาธิเท่านี้แสงสว่างก็จะปรากฏตอนี้ครัว่าที่ไหนมีความเย็นเกินไปเราต้องการความอบอุ่นนี่ตรงนี้เอียงแล้วก็ใช้เตโซกับสินช่วยอันี้ถ้าเราจะใช้เตโซกับินได้เผาบ้านใครหน้ากัวไม่สำเร็จคนจะริง เพราะอะไรเพราจิตมีกิเลสใช่ไหมการจะทรงนิมิตก็จินนี้ไหวได้จะทรงฌานไม่ได้ก็จิตต้องหนึ่งศีลบริสุทธิ์สองจิตระลึกจากนิวอนอ้ น, นิวอนนี่เขาไม่มีโทสะเข้ารวมิด้วยใช่ไหมต้องตัดโทสะได้ต้องมีศีลบริสุทธิ <c oughs> ์ถ้าเราคิดว่าถ้าเราได้เตโชก็ศีลแล้วเราจะไฟเผาบ้านสมาน เมื่อใครเดินไปเดินมาคนทนที่เราไม่ชอบใจแเราจะไฟเผาเสียอันนี้ไม่สำเร็จพอจิตเปกิเลสหน่อยเดียวชานตกใช้ไม่ได้เมื่อส่วนนี้เขามีไว้เฉพาะคนที่จะไปสวรรค์ไปนิพพานเท่านั้นไม่ใช่มีไว้เพื่อไปนรกแต่ว่าการจะินเตโชกสินต้องระวังนะ <c oughs> ก็ระวังอยู่สักหน่อยหนึ่งอีตอนที่นีมิติเป็นเกิดที่แรกเราไปเห็นไปเป็นดวงเล็กดวงธรรมดานี่ว่ากันตอนต้นนี่พอทําไปทําไปถ้าเกิดปฏิภาคกระดิมอีตัว น, นี้มันจะอยู่ไอไปดวงเล็กที่เราเห็นเนี่ยมันจะกลายเป็นดวงใหญ่แล้วว่าก็ใหญ่ขึ้นมาทุกทีบางรายในเห็นเป็นไฟล้อมรอบตัวลุกขึ้นพับไปหมด อันนี้ตัวอย่างก็คือตาสุผมเรียกจวาวตาสุอยู่ข้างมัตตวดึงเล่นเตนโชกศิลความจริงแล้วกรรมฐานนี่มีประโยชน์เพราะต้องการจิตสมาธิแต่ น, นี้จกลืมไปเมื่อพิจารณาไปภาวนาไปจิตให่งอารมณ์รูปในรูปกระสินเดิมใช้เขียนเป็นดวงกศิล แต่ว่าแกคงจะประมาทเพราะตามทรรดายเขใช้ไฟนี่เขาต้องมีอะไรป้องกันให้คิดว่ารู้อยู่ว่าไฟนี่ไม่สามารถจะลุกลามไปไหมอะไรได้มีเครื่องป้องกันไว้ครบดังนั้นบระพุทดเจ้าจงบอกว่าให้หาถังหรือหาอะไรมาก็ะามเอาไฟไว้ในนั้นแล้วก็จ่ะเป็นวงกลมให้มองเห็นแสงไฟโดยะสะดวกอันนี้พก็เป็นการป้องกันคิดว่าไฟจะไหมเราหรือไหมพื้นที่ เพรว่าเวลาที่ปฏิภาคขันนิดปลายกดไอ้ไฟดวงเล็กมันกลายเป็นไฟดวงใหญ่นี่แกสุกแกยังไงแกพิจารณาไปพิจารณาไปตอนนี้นมันนานแล้วว่ายี่สิบปีกว่ามาแล้วเก <c oughs> ิดปฏิภาคขันนิดเกิดขึ้นเหมือนกับไฟลุกคุ้นเต็มห้องเปฏิภาคขันนิดยังไงแกยังไงไหม จะตกใจคิดว่าไฟไหม้ก็เลยร้อนตะกอนไฟไหมแล้วโว้ยกระโดโดทึบจะต่างดีบ้านคิดน้ำน้ำขึ้นไปดีลงตูมไปในน้ำพอลงไปแล้วลืมตามาดูที่ไหนไฟไม่มีจะไหมก็ตกใจถาไฟอะไรมันไหม้แลยวอะไรบอกลืมไปะเะริมเตโชกัสินลืมไปว่าคิดว่าปฏิภาคมิตไม่เกิดเนี่ยต้องเข้าใจไว้ดีนะ เป็นอนันว่าสําหรับเตโชกสิงก็แล้ก็ปุ๊กกัเท่ า, านี้ว่าการพิธีปฏิบัตพลลิพคงมาแล้วในปัตตมิโกสิงให้การจะได้ฌานได้เชิญนิดๆมันก็เหมือนกันตอนนี้มาวาโยกสิงวาโยกสิงนี้ทําท่าจะจายากสักหน่อยตอนนี้เท่าไรวาโยกบัลลมการที่เราจะดูลมเราจดูแบบหน่อยนี่ที่อยู่ เรื่ว่าถ้าเราได้กระสินส่วนใดส่วนหนึ่งทิ้งทางสี่เลยกระสินอีกทั้งหมดอีกเก้าอย่างเนี่ยมันเล็กๆสามวันสาวันสาวันในทางสี่หมดเพราะลมจิตเหมือนกันพิจิพิจประจิจารณาว่าโยูกระสินแค่ดูอาการไหวของกิ่งไม้และใบไม้ดูกิ่งไม้และใบไม้ทำไมไหวไปไหวมาดูอาการอย่างนั้นแล้วก็จับภาพนั้นไว้เป็นนิสิต จิตก็จับอยู่ <c oughs> แล้วก็รู้ว่าการไหวอยู่เป็นปกติถ้าต่อไปนิมิถิ่งการไหวเสียงไม้นั่นแหะมันก็จะกลายเปลี่ยนสีเส็นสีเป็นขาวประกอบพุทธเหมือนกันเป็ลนลักษณะของฌานสีนี่มันก็ไม่มีอะไรแล้วก็บอกไว้เพื่อรู้แล้วก็ควาสมสำคัญของวายอยู่ก็เสียงก็มีอยู่ว่าถ้าอยู่ที่ไหนไม่มีลมถ้าเราต้องการลมพัดพอเนย็นสบาย เขาตั <ET>, ้งใจเข้าตอนที disputes, Jadi, ่จะเข้าฌานสี่สร้งจิตคิดว่าเขาลมชงปรากดมีในที่นี้จะให้แรงกนาดใสก็ลึกปัดแล้วก no ็เข้าฌันสี um ่ชั่วสบายถอยหลัง้าฝูปจารสมาธิทรงสมาธินี้ไว้จะมีลมพัดมาแบบสบายๆเพราะว่าตามที่พระท่านบอกว่าหรือตามตำราเขาบอกว่าฤาษีก็ดีโยคีก็ดี ลูกพระทั้งหลายเนนทั้งหลายที่ปฏิบัติในพระธรรฐานหอกได้อันนี้ก็ใช่วายโยกสิมไม่ลายที่เดียวหอกเขาตั้งจิตคิดว่าเราจะไปที่ไหนทางตั้งจิตเลยในอุปจาระสมาธิก่อนว่าเราจะไปไหนจะลอยเป็นอากาศให้หลังจากนั้นแล้วก็ทําจิตให้เข้าถึงฌานสีแล้วก็ถอยหลังมาสู่อุปจาระสมาธิ เจอสมาธิที่ใกล้กับฌานแล้วก็ตั้งใจว่าเราจะไปที่ น, นั่นที่นี่มันก็เลรลอยไปถึงทังนที <c oughs> นี่เป็นผลของวายโยกสินเร่าให้ฟังแล้วเาววิธีปฏิบัติมันเช่นเดียวกันกับปัตวีสกิณว่ายผลที่ึงได้ผมมาดิบใหเ่เลยจำตอนี้มาอาปูกสินอาปูแปลประสาทน้ำ นี่เราจะต้องนำน้ำที่มีสีใสสะอาดจริงๆเอาใส่ขันเข้าสมไมก่อนอยู่ป่าหาขันไม่ได้แต่โหลกะลาและ้วก็ใช้ได้ราะว่าเวลาเพ่งดูจริงๆแล้วเพ่งเฉพาะสีน้ำคือไม่จิตไปติดขอบให้ขอบเป็นอะไรถ้าขอบมีสีดำแล้วก็เป็นนีและกัดสินมีละประวรสีเขียวแต่ดำๆเข้าเลยบวกเข้าเป็นเขียว อ้าหาวสีกระขอบเป็นสีแดงก็เป็นโลหิตเะกสีนกลายเป็นทำทีเดียวกับสินสองอย่างถ้าเวลาที่ปฏิบัติในะอาโปกะสินท่านให้ใช้ใะเฉพาะดูน้ำไม่ต้องใช้ขันใช้กระโหลกกะลายใหญ่ๆสักหน่อยที่ตามันจะมามองไม่เข้าไปกระทบขอบจับภาพน้ำลืมตาดูภาพน้ำให้ชัดแล้วก็หลับตานกลึงภาพน้ำภาวนาไวย้ยางไง ภวนาว่าปูเกษนาที่วาโยก็วาโยโยเกษนาเมื่อปูโพลนาวาปูเกษนาเมื่อภาวนาไปเร่งย้ำภาพไปเดิมเป็นจุดแรกจะเป็นโอกหาสนิมิตมันก็จะเป็นภาพเดิมเป็นน้ำแต่ถ้าว่าน้ำนี้อาจจะขยายให้ใหญ่ถ้าได้เล็กให้ได้ดีไม่ดีใจมันจเห็นเป็นน้ำเต็มือโลกไปหมด นี่เป็นปฏิหาเรียกว่าเป็นนิมิตเป็นนิมิตอุกาลนิมิตอันดับแก่ข้าปฏิภากันนิมิตตอนนี้เมื่อต่อไปน้ำมันก็กลายเป็นสีเบลกลายพริกแปลว่าสวยสดประาสสยามอารมณ์จิตสรต้างอยู่ในชานสีแตการทรงฌานนี้ต้องพย า, ายามและเสวนาเข้าไว้นี่เป็นเรื่องของอภิ ญ, ญาสมาบัติ <c oughs> ตาการเจริญกันที น, นี่ เป็นผลที่จะได้ปัญญาสมาบัติเนี่เราก็มาขับน้ <that> ําให้สูงได้ให้ต่าได้ให้เล็กได้ให้ใหญ่ได้ตามอัตยาสายแล้วตั้งเวลาได้ตามปกติอันนี้ก็ชีวะจบอาโปกสินในรนี้นี่อารมณ์ภาพของอาโปกสินอาโปเป็นน้ําก็สามารถจะสร้างน้ําให้เกิดขึ้นได้ในที่ทุ่งสถาน อย่างคุณเจริญเป็นน า, น, นายทหารนำทหารเดินไปในฝ่าเห็นไหมไม่เกิดไม่มีน้ําขึ้นมาเราใช้อาโปก็ะสินเพ่งลงไปตรงนี้ขอว่าตรงนี้จะมีบอ่อน้ําเข้าทังจุดชานสีถอยหลังมาทุ ก, าาาากประจารแสมาธิเจ้ปลากดก็เป็นบอ่อน้ําไอ้น้ำมนันจะใสที่จะขุ่ไม่สีไม่อะไรเป็นเรื่องของเราแต่ว่าอธิษฐานให้น้ํ า, นนาเป็นน้ําเล่าไม่รู้ไม่ปรากฏเลย ไม่มีผลนะเลี้ยงเล่าทหารม ไ, ม ไ, ไม่ได้เรื่อืงนี่ก็ทําได้เหมือนกันถ้าทําได้ถ้ามันเป็นอภิญญาเสริมันทำได้ทุกอย่างแต่ ว, ว่าถ้าสิ่งนั้นไม่เป็นโทษก็ทําทได้อันนี้อีมีอัญญาณหนึ่นงอาภูกระสินีจะสินน้ําน้ํามำสภาพอ่อน หากว่าเราไปพบบินแข็งหินแข็ง ท, งทีไหนเราต้องการในของแข็งทั้งหลายเรานั้นเป็นของอ่อนแค่ว่าใช้อาโปกสินช่วยคือเพ่งจับภาพอาโปกสินในที่ฐานว่าขอสิ่งเหล่านี้จงอ่อนจะอ่อนขนาดไหนถ้าเป็นไปตามอัิยาใส่ของเราก็เคลื่อนที่เข้าชานสี่มีความสุขสบายดีก็ถอยหลังมาสู่วิจารสมาธิ <c oughs> ของสิ่งนั้นก็จะอ่อนตามใจเราชอบไอ้ที่เราพูดนี่มันช้าไปนะแต่ความจริงที่เราข้านก็ลกพับเดียวมันเป็นเลยไม่ต้องมาตั้งท่าตั้งทางคนจรินเวลาแต่หังเข้าสงครามไปนั่งประทับยิงปืนอะใช่ไหไอ้ศูนปลายปลายยอดสุนหน้าอยบ่าซุนท้ายอะไรนะอะไรรอุนหลังมลเปิเรี่ตายหงวนมะั้งที่ไง ตายแน่นะท่านี้มันเป็นระเบียบใช่ไหมนี่ก็เหมือนกันเวลาที่เขาจะใช้กระสินจริงๆใช้เวลาไม่ถึงครึ่งวินาทีนะมันจะคล่องจริงๆนี่พูดได้ในภาพใบฟ่านี่กระสินสี่อย่างคือป่าปฐวีกสินสินดินสินน้ําสินกระสินลมกรสินไฟทั้งสี่อย่างนี้เป็นกระสินกลางต่อไปสี่นี่ไม่ใช่กระสินกลางแล้ว เพว่าใช้ชาเกาะในการมธิษฐานโสากตกระสินนี้ก็ได้แก่หนึ่งอะไรโลหิตกระสินกระสิสีแดงปิตากกระสินกะสินสีเหลืองมีแลตกสินกระสินสีเขียวและโอชากระสินกะสินสีขาวรวมความว่าสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีขาว สีสีนี้ใช้เฉพาะบุคคลที่มีโทสะจริตคนที่มีโทสะจริรตในความจริงจริตของคนอนะมันมีทั้งหกมันไม่มีอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะแต่แต่ว่าขนาดใดที่อารมณ์ของเราโงดิมีความโกรธง่ายนี่มันมีบางจังหวะมืองกัน พระพุทธเจ้าให้ใช้จริตเจริสิ่งเรื่องสีอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งทําให้เข้าถึงฌานสี่้วสา ม, มารถระงับโทสะจริตได้อารมณ์จิตจะเยือกจรินความจริงสี่เรื่องสีอย่างนี้จะเป็นเหตุเป็นปัจจัย ใ, ให้จิตใจ ส, สบายเยือกจริงระงับจากโทสะยาบาดได้เพราะเหตุใดเนี่ยผมไม่รู้เมือกัน แต่จะรู้ได้ว่าคนที่จะทรงกระสินทั้งชานได้คนประเภทนี้จะต้องมีภูมิฐารสี่สิ่งสำคัญเพรว่าองค์สมเด็จพระทรงทันบอกว่ากสินทั้งสีอย่างนี้ระงับโทสะจริได้อีกสีอย่างที่าาแล้วมาจะระงับทั้งหมด ท, ทั้งหกเจริญเท่าเป็นกระสินการและ ว, ว่ากระสินนี้เฉพาะโทสะจริญ ในเรื่องเกี่ยวกับจริตก็มีว่าเราจะขึ้นโลหิตแตะกะสิณสีกสิแดงกสิมีสีแดงเราจะใช้ผ้าแดงหรือใช้ว่าสีผ้าคือสีแดงแดงอามัากับอะไรก็ได้ถ้ามันแดงจริงๆจะเป็นแดงสีเลือดหมูแดงสีเลือดมาให้มันต่างกันไม่ต่างวะผมไม่รู้เหมือนกันให้การิตเลือดหมูกับมารต่างกันไหม ไม่ควรมันจะดำดำเบนะืเอ่อนะคนจะสั่งจะเลตมาท่าบ่าสีแดงจริงๆมาทาเขอบเลยใช้ผ้าแดงก็ยนะทํำขอบเป็นวงกลมให้พอเหมาะพดีประมาณคืบ่งครึ่งไอ้ครึ่งครึ่งหมายว่าทํามองไปแล้วปั๊บมันไม่เลยจุดคนสายตาสายตาจะไม่เข้าไปกระทบขอบได้รับเพ่งกับสินสี น, นแดงอวนาวาโรหิตาตาสินา โลหิตะโลหิตเนี่ยโลหิตะก็คือโลหิตโลหิตนี่เขาแปลว่าสีแดงถ้าจะถือเป็นความหมายว่าเธอความหมายสีแดงสีแดงสีแดงถ้าเราพูดภาษาไทยจำไว้ว่านี่เป็นสีแดงแล้ะจะสีแดงนี้ก็เหมือนจะสินแบบอื่นถ้ามันเป็นอกปาณิมิตไปเปียกรากดสีขึ้นชรัพ ย, ย์สนในใจ แจใ่ล็กก็ได้ ใ, ให้ใหญ่ก็ได้สีที่มันเปลี่ยนไปเป็นสีผู้ชายก็คือเป็นสีแบบกายเที่เหมือนกันดวงความมาสีขึ้เรา่องสีเนี่ยไปไปมาๆ ม, มาเป็นลงท้ายเหมือนกันเหมือนกแกว้แวแพรวาวที่ตั้งอยู่ทวนแสงอาทิตย์ตอนนั้นจิตเราก็ยังมีสมาธิต่างมันจงทําเข้าถึงจะตัวชายชายสีไม่แปรกดลมให้ใจห่าออก เสิยภาพจะเสิยชัดแต่ถ้าว่าโหมดีินเสียงภายอกมีอารมสบายเป็นอุเบกขาลงอย่างนี้เด็กจะไม่ทางสีถ้าสงสัยก็หันไปดูในปัทวีปัิจุบันกะคือรอนนี้ายแบบนี้มันก็อยู่กับ น, น, นั้นสำหรับกาวสินสีแมงนี้เราจะเอาเก็บไปสสาหรับมีไว้สำหรับในการแต่งสี <c oughs> ถ้าที่ไหนมีสีอื่นถ้าเราต้องการให้สีแดงปรากฏแล้วก็ใช้แต่สีโรฮิตาแต่สีนี้ช่วยให้สีมันเกิดสีแดงขึ้นกามจริงกันก่อสร้างในทาตเราจะ่ใช้แบบนี้ก็ดีกันไหมอ้ไงให้ต้องไปซื้อสีเนี่ยอยากจะเปลี่ยนสีอะไรก็เปลี่ยนมันทรงเด็ดดีไม่ดีทํามันสีลยอะไรลายงูไอ้เป็นงูเหลืองงูล้ําทรงเด็ดอะไรกันน่ แต่คืบทำแบบนั้นพ่านก็จเจ้าเลยงานใหญ่ใช่ไหมไทยฤทธิอุดชาวบ้านก็ลอยเป็นทำตนเป็นคนมากๆอยู่ในตันหาถ้มตันหาความพยายามอยากอยากให้ชาบ้านเขาชมวอรดีอยากให้ชาบ้านเขาชมเวอรดีเต็มอันนี้กลายเป็นการดึงตัวให้มาผูกพันอยู่กับวัฒนธรรมสานใช้ไม่ได้นะ <c oughs> <c oughs> เอาไว้ใช้ได้เฉพาะที่มีความจำเป็นจริงๆ และก็ปฏิการอดชบานไม่จิทธรรมไม่ิดปีนหนตอนนี้มาว่าถึงเราเสรยงสีแดงมันมีประโยชน์แต่บอกว่าเฉพาะจริตเนี่เรื่องมันมีอยู่ในสมัยพุะตเจ้ามีชีวิตอยู่เวลานั้นรูมไม่เคยเล่าใฟัง <c oughs> เวลานั้นก็มีลูกชายในช่างทองเป็นคนหนุ่มเป็นคนสวยเป็นคนรวยเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา ก็มาบวชในสํานัขก็มาสาลีบวชท่านโดยสาลีบวชก็คิดว่าคนหนุ่มอย่างนี้สวยด้วยรวยด้วยหนักไปสังคมคงจะหนักไปในราคาจริตที่รักสวยรักงามเพราะคนหนุ่มมันดูมากติดสวยติดงามท่านก็ให้เอาสุปการมันฐานและกายตาตาโนสติการมันฐานเป็นการฐานน้อมไปในจริตเชนนั้น แต่ปรากฏว่าพระองค์นี้อยู่กับท่านสามเดือนในเป็นสาไม่ได้แม้แต่ปรฐมไม่ชาเมื่อพระออกบปรนสาแล่ท่านเลยคิดว่าพระองค์นี้คงจะไม่ใช่วิสัยที่เราจะตึงสุดผลยิ่งนําไปเป้าองค์สมเด็จประทศกคนบรมศาสตร์สดาสัมมาสัพพุธเจ้าราคูลเรื่องราวให้ทรงทราบพระพุทธเจ้าก็ทรงทราบว่าพระสารีบุตรให้กรรมาฐานศิ นี่แม้แต่ภาษารีบุตรยังให้กรรมฐานผิดนะไอ้ผมนี่จะให้ถกทุกอย่างน่ากลัวไม่ได้นี่เพราท่านทั้งหลายก็ต้องช่วยตัวเองถ้าอารมาอะไรมันเกิดสิ่งกุญแจให้กรรมฐานอะไรอันนี้พระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าสารีบุตรกุณบุตรคนใดที่มีความเนื่องใสเป็เนื่องใสเป็นสงในความดีกุลบุตรคนนั้นที่จะถ่าคตุทธไม่สามารถจะสงเคราะห์ได้อันนี้ไม่มี เทศภาษาริบุตรเธอกลับไปวัดเธอได้แล้วไม่ถ้ามาอยู่รวมกันพระองค์นี้แต่ถาเขาจะเกิดผลให้เองท่านภาษาดิบุตรก็กลับก็กลับแล้ว พ, ลพระพุทออธเจ้าก็ทรงพิจารณาว่าเด็กหนุ่มคนนี้เนี่ยมีจริตอะไรเมื่อพิจารณาไปก็เห็นว่าจริตหกอย่างนั้นมีแต่ว่าเวลานี้จริตสําคัญที่สุดก็คือโทสะจริตมันนําหน้า ไอ้คาว่าเจริญเนี่ยไอ้ตัวไหนนําหน้ามันมีกําลังกลาดทําลายตัวนั้นก่อนองสมเด็จพระจินรวนรียริทรงนิรมิตดอกบัวทองคําเสน่อดอกแล้วก็นินมิตจะเป็นสีแดงให้โลหิตเตลสินบอกกับพระองค์นั้นบอกว่านี่เธอจะเอาดอกบัวทองคำไปแล้วก็นั่งเพ่งดูรูปดอกบวัว เมื่อจำได้แล้วก็หลับตานึกถึงภาพดอกบว์ให้จิตตาพราะเอานั้นเมื่อรับไปแล้วก็ไปหน้าวิหารซึ่งมีกองทรายอยู่หน้าวิหารเมื่อเห็นกองทรายแล้วท่านเา <c oughs> อาคำทรายให้มุยนนิดหน่อยเอาดอกบวดอกนั้นที่มีก้านโดยปักก็ม่มีกองทราย แลก็ลืมตาดูค่อเดาโบนเดานาพุทธเจ้าอธิฐานใเป็นสีแดง <c oughs> จำภาพสีแดงแล้วก็หลับตาในถึงภาพอาวนาในใจว่าโลหิตาคติยังนี่แปลว่าสีแดงสีแดงเ <c oughs> มื่อพิจารณาไปเมื่อภาพมันเลือนไปท่านก็ลืมตามาดูใหม่หลับตาไปใหม่จำภาพต่อไปภาพก็กลายจากสีแดง ค่อยๆกลายเป็นสีเหลืองแล้วมาเป็นสีขาวสีเปลือกายตุกี้เข้าโู่ฌานที่สี่คือจะตกฌานรงชฌานได้ดีตอนนี้เององค์สมเด็จพระจินสีเมื่ออยู่ในประวิหารตรวจดูเรื่อหน้าของพระพุทธญาณก็คิดว่าพระองค์นี้ได้ฌานสีแล้วต่อไปนี้เป็นเรื่องของการตัดกินเลสให้เป็นสมุเทเฉดสภาวะหัน ก็กําลังชานช่วยกําลังจิตให้มีกําลังแต่ว่าเราไม่ช่วยเธอเธอสามารถจะช่วยตัวเองให้เป็นพระเยซูเจ้าได้ไหมเหมือนกับหน้าศึกษาเมื่อพระเยซูเจ้าทรงพิจารณาถามอยู่ว่าจะถามด้วยอำนาจสุภิญญาตั้งใจด้ว่าเธอจะช่วยตัวเองได้ไหมก็ทรงทราบว่าถ้าเราไม่ช่วยเธอช่วยไม่ได้ พระยาพ่อในดา น, นานมิปสน า, ายานฉะนั้นองสมเด็จพระบิดิตมารจึงที่กำลังนั้นพระองค์ น, นั่งหลับตาอยู่เมื่อนั่งหลับตาก็รู้ว่าดอกบัวนี่มีสีสดใสแต่ว่ามันเป็นประก า, ายเกินเข้าที่ชานสีสบายก็ <c oughs> เลยคิดว่าถ้าเราไม่ช่วยจะไม่มีประโยชน์จึงได้ทรงในรวิตให้ดอกบัวนันเหีย่ยวแห้งลงไป นังก็กลายเป็นดอกบัวที่มีใบและใบสอนร่วงโรยลงเพื่อจะเหลือแต่ฝักข้างในเพราะนั่นกำลังทรงฌานสบายก็ลืมตายธรรมันมดูก็คิดในใจว่าอ้าวแล้วกันดอกบัวดอกนี้เมื่อกี้นี่ยังสดไสอยู่นี่มีความผ่องใสมีความทรงโศลอย ด, ดีแต่ว่าเวลานี้นี่แล้วทำไมต้องเป็นแบบนี้ล่ะ นี่ม่เกิดความเหี่ยวความแห้งร่วงโรยแม้แต่เกิสฝนก็ลน่นไอ้ฝาข้างในคันยัมีอาการสดใสสดก็เหี่ยวก็แห้งมีสภาพเหมือนจะปุกอาศัยที่จิตทรงจะตกติดชานสิชณนสีก็น้อมเข้ามาในกายนี้วัดดอกบัวดอกนี้ความจริงเป็นโลหะเป็นดอกบัวทองคำ ซึ่งพระพุทธเจ้าสมมอบให้เราโลหะนี่มีสภาพแข็งแรงกว่าดีกว่าเนื้อกว่าหนังแต่ว่ า, วาช่วประเดี๋ยวเดียวเ น, นั้นกลับมาผุมาพังเส้นแบบนี้ได้ไปชีวิตแต่เลือดเนื้อของเราเนี่ยมันจะสัมหาอะไรมันจะทรงสภาพอยู่ได้ยังไงเนี่ยของที่แข็งกว่าประเดี๋ยวเดียวก็แข็ง กต่เนื้อของเราที่มันอ่อนกว่าทองคำมากนักแม้แต่กระดูกที่มีในกายที่ถือว่าเป็นกายแข็งตัวแต่มันก็แข็งฟูทองคำไม่ได้นี่ไม่ช้ามันก็สลายไปแบบนี้ก็เลยมันนั่งนูด้วนาจพิจรารณาด้วยอำนาจของชานสีน้สัยามันเกิด ว่าปัญญาที่เกิดด้วยน่ายคสัมมะทิเนี่ยความจริงไม่ต้องไปสอนกันมันมีความหลักแหลมมากถ้าพวกคุณยังไม่เคยเข้าฌาก็ไม่รู้ถ้าจิตเป็นสมาธิไปแล้วพิจารณาดูมันจะมีความคิดเฉียบแหลมเป็นกรณีพิเศษ <c oughs> ท่านทั้งนีสมเด็จพระบรมนุกข์กเชื่ไม่ต้องไปสอนท่านอาศัยฌานสีช่วยจิตที่มีสมาธิสูง <c oughs> ก็มาพิจารณาร่างกายว่าดอกโบมีสภาพเช่นนี้แล้ร่างกายเราก็เหมือนกันที่เราเกิดมาดีก่อนมันเด็กมันเล็กทีก่มาเป็นผู้ใหญ่แต่คนที่เกิดก่อนเรา้ือความร่วงโรยไปคล้ายกับดอกบวที่มีความเก่าลงและคนอื่นนอกจากนั้นที่ตายไปแล้วก็มีมากเหมือนกับกลีบดอกบบวหรือเกสรดอกบวที่ล่นร่วงโรยในเวลานี้ เพราเป็นอันว่าดับภาพร่างกายของเรานี้ไม่มีประโยชน์ไม่มีการทรงตัวที่เราคิดกันว่ า, วาดับภาพร่างกายนี้เป็นเราเลยของเราเราเมามันกันอยู่แบบนี้เป็นความเข้าใจผิดอาศัยที่จิตจนทั้งเกิดยอมรับนับถือกฎของธรรมดายิ็นว่าดับภาพร่างกายเปลี่ยนนี่จังหาความเที่ยงไม่ได้ขณะที่ทรงร่างกายอยู่ร่างกายเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเกิดอาการติดทุกข์ ในที่สุดก็มีการสหลายตัวหาอะไราปรากฏไม่ได้ถ้าเลยคิดต่อไปว่าถ้าเรายังจะเกิดต่อไปสภาพแบบนี้มันก็ปรากฏที่องค์สมเด็จพระบรมสุขตกล่า ว, ว่าการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารนี่ไม่มีประโยชน์มีแต่เพื่อเกิความทุกข์หาความสุขจริงๆไม่ได้องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงตสอนให้เรามุ่งกนิพันธ์ ผลิตภัณจัดว่ามีความสุขคือเป็นอมตะเป็นแดนที่ไม่ตายห <c oughs> าความทุกข์กันิดหนึ่งก็ไม่ได้จิตใจทังนก็นเลยปลดจากกิเลสภาวะกลายเป็นผ้าละห่ำไปเดี๋ยวนั่นเองเห็นไหมนี่ที่พูดได้ฟังอย่างนี้ก็เพื่อเข้าใจว่าการเรียนรู้พระธรรมฐ า, านหน้าที่ออย่างนี้มีความสำคัญมาก ถ้าเราจะเดินเากรรมฐานไม่ตรงอธิยาสัยวยจริตจใจเราที่มีอารมณ์ในเวลานั้นสมมติว่าเรารักสวยรักงามเราก็ไปเพ่งเฉพาะ พ, พุทธานุสติหรือว่านุสติอย่างอื่นที่ไม่ตรงกันมันก็ไม่มีประโยชน์ถ้าจิตติดในความสวยสดหรงามก็ต้องใช้อสุภปปกรรมฐานหรือว่ากายุตต า, านุสติกรรฐาน พื่อเปการหักล้างกันถ้าว่าจิตของเรามีโทสะมากหนักไปในโทสะของจิตใจอย่างนี้เราก็ต้องใช้แค่อะไรกลมมวิหารสีหรือว่ากาสินสีอย่างสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีขาวอย่างใดอย่างหนึ่งให้ตรงกับอารมณ์ของจิตเรียกว่าอะไรมันมีกำลังกลางา้าโผล่มาทำลายตัวนั้นก่อน เวลานี้มีนายทหารอยู่ด้วยกระพูดแบบกองทัพยังไงกองทัพส่วนไหนมีจุดใหญ่มีกำลังสาคัญถ้าเราพังกองทัพส่วนนั้นได้เราก็มีหวังชนะใช่ไหมคุณเจริีนั่นไอ้ที่ไหนมันแหลมมาตีมันให้พังไปนี่เดียวาทาลายกำลังของข้าศึกให้ถูกจุดเราจรึงชนะได้นี่กองทัพของยินเลสที่เกิดขึ้นกับกำลังใจของเราควาหมกัน การยลบดิเลตพหะเจนะก็ต้องรู้สันภาวุมีหรือยุตธวิธีทั้งสี่สิบระการให้ครบถ้วนกากระบวนของกองทัพตีปรากดไว้ดนโทสะมันส่งมาแล้วก็ปราบประสิษฐ์สี่อย่างนี่กสินก็มีความสำคัญใช้เป็นแล้วก็เป็นนิบัสนาญาณดับาีนี่ต่อไปก็มีอะไรนี่แล้วก็สินกระสินสีเขียว มีละเขาเปลว่าสีเขียวหรือว่าสีดำเขาก็ใช้วามีละเหมืนอ น, น, นกันไอ้เขียวเขียวดำดเหมือนใครกันเกิสินสีเขียวนี่ก็เอาสีเขียวเขียวม า, าทาเทาถ้าอยู่ในป่าหาสีเขียวอะไรไม่ได้ก็เอาใบไม้สีเขียวดูยอดไม้ส่งเด็ดไเลยนี่นักพูดงคือจับสีเขียวก็มาเป็นรูปนี้มิจจิจับภาพนั้นหลับตานึกตรงภาพนั้นให้ปรากฏ ภาพเป็นอุการ a น i m ิ t แล้วก็เป็นแบบอย่างว่าอะไรเห็นสีเขียวนึกเห็นนะไม่เช่ลอยมาแต่ภาพลอยมาน่ใช้ไม่ได้ในขณะที่เราเก้งภาพกับสินอยู่นะถ้าภาพอะไรก็ตามปรากฏขึ้นกับใจไม่ใช่ภาพนั้นทิ้ง ท, งทันทีก็นั่นเป็นกิลเลสเเ้าเรียกว่ากิเลสสมาร์ตา้าตัดความดีล้วังให้มัก นักเจริญได้กรรมฐานนี้ไปติดภาพลอยไปเลยมานั่งเห็นอย่างนั้นนั่งเห็นอย่างนี้นี่ไม่เข้าลักษณะของการเจร้งหาความดีอะไรไม่ได้เขาต้องเถืออารมณ์เดิมอย่างเดียวเราตั้งใจอะไรไว้เึ่นเจริญพุทธานุสติกรรมฐานนะจับภาพของพระพุทธรูปไปอารมณ์มันเป็นกนสินด้วยถ้ารูปอื่นมานอกจากรูปพระพุทธรูปหรือว่าพระพุทธรูปกลายเป็นบาสงส่งอ น, นิจชายได้ ส้าภาพอื่นจากนั้นใช่ไม่ไดมาเมื่อม า, มาปรากฏมาก็ปรับไปทันทีนี่ต้องเป็นอย่างนี้นะอย่าลืมตั้งเวลาไอ้เสือ่ก็ดูเร็่องอะร <c oughs> นะนี่ต้องทิ้งไปงทันทีต้องถือรูปเดิมไปสาคัญ <c oughs> อนนี้สำหรับนีนี้กันแลวก็สิงก็ไม่กันอ้สีเขียวนี่ยน่นะเข้ามากลายเป็นสีขาวสีมังกริี นี่ผมไมาอธิบายธรรมชาตเพราะลักษณะมันเหมือนกันนี่สีเขียวนี่เขามีไว้ทําไมถ้าสี น, น, นี้ฉันบอกว่าถ้าตั้งใจจะให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นสีอื่นให้เป็นสีเขียวก็ใช่นี่แหละตัดสินหรือว่าที่นี้มันสว่างเกินไปจะให้มันมืดเขาก็ใช่นี่แหละตัดสินให้ปรากรดเป็นสีดำสุด มีประโยชน์มีตรงนี้นะ่ะมีประโยชน์สําหรับเล่นเล่นในด้านจยาแต่ในด้านมีปัญนาหญงเขาก็ดูสีเขียวให้สีเขียวหายไปก็นึกในใจว่าชีวิตของเราก็เหมือนกันเกิดขึ้นได้แล้วก็ดับไปอย่างนี้ก็เหมือนกับที่พูดมาแล้วในปฐวีกษินเขาไม่ขอย้อนกลับไปไม่าสี่หลากปล่า <c oughs> นี่เกษินต่อไปก็อะไรจิตจักเกษินอันนี้เป็นเกสินสีเหลือง ปิตากะแปลว่าสีเหลืองหรือสีเหลืองเป็นพื้นฐานใช้ผ้าเหลืองสื่อคนใแใช้สีเหลืองสื่อคนใดเอาใจจับภาพนั้นก็ภาวนาปิตากะกับสินเอาใช้สีเขียวก็มีแล้วกับสินนอาทำภาวนาในเป็นตัวโยงใจนี่นี่ไม่ของอาศิงสีเหลืองก็เหมือนกับสีอื่นเหลืองไปเหลืองไปเหลืองไปนานๆเข้าก็กลายเป็นสีขาวสีกระจายเป๊กเหมือนกันมีอารมณ์เสมอการ ตอนนีส้สำหรับคุณสมบัติในการใช้ในทางฤทธิ์ในกระ ส, สินสีเหลืองถ้าเราต้องการสีที่มันไม่มีสีเหลืองให้เป็นสีเหลืองก็ดีสีทองก็ดีอันนี้พูกง่ายๆถ้าเราได้ปีตกากระสินเน่เราจะหลอกชาวบ้านให้กดดินเล่นสักพักก็ได้หืมสนใจดินอไหมไม่กลัวพระพุทธเจ้าว่าจะลงสักพักเลยใช่ไหม ก็ไปยืนดูดินตรงไหนให้มันกลายเป็นทองคํำเป็นสักพันไร่เลยดิ น, นี่แล้วก็กลางเส้นนอนเตียงผ้าใบดูเป็นขุดกันให้เพลินเนี่ยมันจะไม่ขุดกันปล่าพยตีกันพังมาแย่ยงทองคำนี่ก็ทําได้แล้วก็ทํานักของฤทธิ์ของเราจริงจริงจะให้ดินส่วนนั้นเป็นทองคํายืนตัวตรงตัวอยู่ตลอดกลางก็ยังได้หรือย้ายเป็นทองคำแต่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนน แล้วพระทุกองเดินไปเดินมานี่แกล้งให้เป็นทองคำํำแล้วเดี๋ยวว่าตายบ้านเห็นทองคําเดินได้เมื่อตัดแขนแตัดข า, าก็กลิ่นเลยตายแน่กว่าคนเท็บจะเป็นทองคํำต้องตัวเรวเจ็บนี่สีเหลืองนี่เขามีไว้สําหรับทําสีเหลืองหรือว่าทําให้เป็นทองคำแน่ผลก็เหมือนกันนะไม่ พ, พูดอะไรเปล่ากรชัด เมือ่อวิธีปฏิบัติก็รู้แล้วในในปฏวีีติสิงตอนนี้มีา ม, มากระสิงสีขาวสีขาวคือโอาทาเตกนก็เหมือนกันเลยมากไปถ้าทินไหนมีความดําทึบมืดทึบเราต้องการให้เป็นสีใสสีขา ว, ขาวแล้วก็ใช้โอาทาเตกะสินเวลาเพ่งกับเพ่งสีขาวภาวนาวโอาทาเตะสิงนะ แต่ว่ากระสินสีขาวนี่เป็นปัจจัยของที่มีจักรยานด้วยเห็นไหมเป็นอันว่ากระสินไฟก็ดีก็ะสินสีขาก็ดีเตโชกระสินแล้วโอทาตกระสีนเตโชกระสินกระสินไฟโอทาตกระสินกระสินสีขาวถ้าเราใช้กระสินทั้งสองอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อจิตเข้าสู่อุปจาระสมาธิเป็นไงอุปจารสมาธิมันเป็นยังไงเราก็พิจารณาดูภาพเกสินอันนี้ไม่ต้องดูอารมณ์ใจเกศินเนี่ยเป็นของดีเ ป, เ, ปเป็นกรรมฐานใหญ่เพราะนั้นในแบบฉมับพระพุทธโกศอาจารย์ท่านเวลาที่ท่านเรียงท่านเรียงเกสินทิ่งก่อน ทั้งนี้พระอริโยกัสสนี่ยสร้างฌานให้เกิดง่ายเพื่อ <c oughs> เราทําสมาธิกรรมฐามนานี่เราต้องการฌานถ้าจิตเป็นฌานแล้วแล้วใชอารมณ์พิจารณาวิปัสนาญาณมันเครื่องตัวความเป็นพระเรียเจ้าเดียวเดียวสน่งนี้จะว่ากันนึว่าเรานะ้ได้ฌานสี่เนี่ยได้ฌานสี่นี้ก็มีขอบเขตได้ฌานสี่แล้วก็ทรงฌานสีในตามอสิยาสัย ในเวลาวิชันสีมาใช้พิจารณาวิปัสนาญาณพระพุทธเจ้าทรงจำกัดเขบไว้ว่าถ้ามีบา ร, รมีแก่กลาคาว่ามีบา ร, รมีบา ร, รมีนี่แปลกําลังใจก็ไว้อันว่าไม่ที่เกียรติเนี่ยขยันดีมีปัญญาดีฉลาดในการใช้ปัญญาฉลาดในการใช้กำลังใจอย่างนี้เรียกว่ามีบา ร, รมีแก่กลา ไม่ใช่เป็นเอาบารมีมาจากชาติเองไอชาติก่อนๆ ไ, ไม่ได้พูดกันน้องพูดกันตรงนี้สมบารมีแปลว่ากําลังใจถ้ามีกําลังใจแก่กล้าใช้ปัญญายให้เป็นประโยชน์เพราะสายอํานาจชานิสี่เป็นสําคัญท่านบนนั้นจะเป็นพระอรหันต์ได้ภายในเจ็ดวันนี่ถ้าม่ได้บอกว่าครบเจ็ดวันนะใครครบเจ็ดวันก็สวยใจสี ถ้ามีบารมีอย่างกลางกำลังใจเนะี่ยมันดีไม่กันแต่มันหย่อนไปหน่อยกำลังใจหย่อนตรงไหนหย่อนตรงใช้ปัญญาพิจารณาพิพัรนายางคือการห้าโดยใช้ทานช่วยเวลาที่ว่าใช้ชานช่วยว่าใช้ววชแบบนี้อันดับแรกเขาเข้าชานในกรสินให้เต็มที่จีดตั้งอยู่ในอุเบกขารม ตรงฌานให้สมัยใช้เวลาเท่าไรก็ตามรู้สึกว่าสมายจิตจิตตรงอารมณ์มันคอหลังจิตตรงมาถ้าอุปจารสมาธิก็มาพิจารณาขันธ์ห้าหรือว่าพิจารณากภาพสรรสินเทียบกับขันธ์ห้าก็ได้จะพิจารณาร่างกายในขันธ์ห้าในรูปของลักษณะของวิปัสสนาญาณห้าก็ได้ในลักษณะของอะไรอริยสัจก็ได้ก็ตามใจ แบบใดแบบหนึ่งมันก็โลดนี่เมื่อพิจารณาไปแล้วพอพิจารณาไปจิตพอจะเริ่มเฟื้องถ้าใจยุ่งอารมณ์จะส่งโตไม่ได้แล้วก็เที่ยงวิปัสสนาญาณโดดเข้าฌานไปใหม่พักอารมณ์ให้สบายเมื่อพักอารมณ์สบายแล้วอารมณ์เบลเบลทารลมฟ้าไม่นิดอะไรไม่ส่งโตเฉยสบายมีกำลังห้อยหลังมาเถึงอุปจาระสมาธิพิจารณาใหม่ เพียงเท่านี้ไม่ท่าไม่นานเท่าอยกำลังใจก็จะเกิดรู้แจง้งเห็นจริงตามความเป็นจริงคือปัญญาไม่เกิดอยูตอนนี้ไปว่ากันตรง น, น, นี้ปรัชนาใาญ่ีนบารมีอย่างกลางนี้ไม่เกินเจ็ดเดือนเป็นผรานถ้าว่ามีบารมีอย่างอ่อนที่สุ ด, สดแสดงว่าอารมณ์ใจพวกเรามันดีเหมือนกันจะดีทันเร็วที่สุด แต่เร็วของความดีนะมันช่ดีของความเร็วเท่าไรเขาจะดีไอ้ดีระดับเร็วนะ่ะมันใช้ไม่ได้นะเร็วเขาระดับดีมันดีกว่าดีเองระดับเร็วคือกำลังใจดีมีศรัทธาเรียกว่ามีจริยาในความประพฤติ ด, ดีมีความมุ่งมั่นเพื่อความเอราวัณจะย่อหย่อนไปหน่อยอย่างนี้ได้กล่าวว่าไม่เกินเจ็ดปีเป็นท่าหลั มีกรรมฐ า, านทุกองในมีประโยชน์แต่เป็นนิโคเกสินเนี่ยไม่ใช่เรื่องนะจะไม่ต้องการฤทธิ์แต่ความจริงทำไมใช้ฤทธ์ละ่ะท่านต้องการให้ใช้กํากลังจิตเพื่อความเป็นพระเรียเจ้าแต่เราจะใช้ฤทธิ์เมื่อไหรอยป็นไรไปอต่นี้ถ้าหากว่าเราจะเริเยนเตโธกะสินหรือว่าโอทานกสินต้องการพิจิตรขุยาณเพื่อเป็นปัจดใจของอิชาสาม ก็ดูนิมิตตอนที่นิมิตเป็นสีเป็นประกายพลิกตอนนี้แล้วก็ใจสบายนี่เรียกว่าอุปจาระสมาธิเื่อเขา้าแต่ว่าถึงอุปจาระสมาธิมันยังมีอารมณ์คิดถ้าถึงปฐมฌานแล้วไม่มีอารมณ์คิดตอนนี้เองถ้าจะทําทจิตเป็นเป็นพิปิตรญาณก็เพ่งดูภาพนั้นให้ชัดเมื่อภาพนั้นชัดเท่าไหร่ แล้วก็คิดในใจว่าขอภาพนี้จะหายไปภาพที่เราต้องการอะ่ห็นี่ขอให้ปราดกฏเท่านี้กับสียงแล่านั้นก็จะปราดกฏแทนภาพสติมันก็พล้องไม่อยาก <c oughs> แต่ ว, ว่าถึงอุปจารสมาธิแล้วถ้าเราทรงอยู่แค่นั้นมันก็เห็นชัดไม่ได้ต้องให้เข้าถึงชาง้นสี <c oughs> แล้วมาเข้าดชั้นสีแล้วก็อยากอาดีไม่ได้ภาพมันเห็นแต่ก็ไม่ชัดนักต้องทําความเป็นต้องทำให้ตัวให้เป็นพระอริยเจา้า <c oughs> ถ้าเป็นมรสนาสิกธาคานาคารหาง ค, ความสว่างก็มีขึ้นเป็นโดยลําดับถ้าถึงอรหัตตาผลก็รู้สึกว่าสว่างดีหน่อยแต่ก็อย่างโู้พระพุทธเจ้าไมนได้นับเป็นล้านใช่ไหมถ้าว่าปริมาณเปนล้านเท่าพระพุทธเจ้าจะมีความสว่างมาก นี่พูดจนถึงว่าคุณสมบัติของเตโชกสิงกับโอทานิกูครณในวความจริงเราไม่ได้ต่างใจอย่างนั้นต่างใจเพื่อตรงสมาธิติดไม่ตรงกรันวิชาสามต้องการเป็นสุขภิบเกษ์โกถ้าได้กสิงกองใดกองหนึ่งก็แผงก็ไปเื่นมีพันายานเลยแต่เพื่อนฐานก็คือการตรงสมาธิในโในเรื่องของกสิ น, นี้ทิ้งไม่ได้ คนนี้เขาจะทําได้ดีก็ต้องทําปฏิบัติตามเรียนมื่อกล่าวที่กล่าเมาื่อ <c> ก <oughs> ี้เกี่อวกับความว่าจะต้องเข้าฌานในกิตสิมให้ครบฌานสีแล้วก็สบายที่สุดจิตสบายมีกําลังกล้าภายหลังมาทุกประจารสมาธิพิจารณาฐ า, านห้าเมื่อพิจารณาแล้วมันเกิดจิตนี้หมดจิตอารมณ์อื่นทำไมแปลแสดงมาสมาธิตก ทิ้งมีบทสนายานเดียจับกระสินใหม่เขาไปทรงภาพไปตามเดืมสลับกัมาสลับกันไปแบบนี้ไม่ใช่ยังไงอย่าหญ่เลยไนก็ทหารที่ฝุกนี่แล้วใช่ไหมโจมตีข้าศึกทหารที่มีฝุกนี่แล้วมีกาลังดีแล้วมีระเบียบดีในนี่ครบก็ข้าศึกอะไรก็ไม่แพ้ ตอนนี้มีเวอมาชั้นใดการปฏิบัติให้กรรมฐานในวุตสักหนาญก็เหม่ไนกนก็ทํากันแบบนี้นี่เลยสองกัดสินก็เป็นกัสินกลางกัดสินอะไรคือโออาโลกัสินกับอากาศกัดสินอาโลกัสินนี่เป็นแสงสว่างอาโลกัสินนี่เป็นปัจจัยของทิฏฐิปยานเหมือนกัน อย่างที่ทางวัดปากน้ำให้เพ่งดวงแก้วดวงแก้วในความจริงก็เป็นสีสายจักตัวเป็นโลอโลกสิน <c oughs> จะไปคิดว่าของท่านผิดจะไม่ได้นะท่านไม่ผิดถ้าเราผิดเองนะไม่รู้เรอกนะของท่านไม่ผิดให้เพ่งดวงแก้วแล้วก็เพ่งในอกหรือว่าเพ่งลูกพระตับพระเป็นดวงแก้วแล้วก็ในอกอย่างนี้แล้วก็ได้กำไรมาก ตั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเพ่งภายในเนี่เป็นเกสศิลด้วยเป็นวิญญาณานจาเยตนาฉันด้ว ย, ย, ย, าาวยคือเป็นรูปวปิชันด้วยมีกำลังมากแล้วก็เป็นเหตุใดอะไรได้มนโนยิทธิคพือถอดกายภายในท่องเที่ยวไปในภพต่างๆได้ท <c oughs> ั้งจริงกูดีนะเนี่ยคุณยายลิคุณอยากจะไปค่ายธนารัฐแต่ไมต้องขึ้นรถไฟนอนอยู่ตรงนี้เดินไปเที่ยวสบาย ไม่ถามไอ้คนนี้มารักษาการแทนอยู่บอกเอ้นี่วันนั้นจะไปเที่ยวนี่ว่าแกไม่ไดมาทำงานนะแล้วไปดูแต่หาอยู่ยามจําหน้ามันไว้ดนี่นี่คืนนั้นวันนั้นเข้ามาดูแกแกมันหลับยามเนี่ยจับได้ไงฮะอารมณ์ปฏิสีห์นะหรือว่าเราไปไม่ได้แต่ใช้อารมณ์ปิสีหช่วยมันก็เห็นภาพคนที่ยืยนอยู่นั่งอยู่นอนอยู่เขาเรียกวปัจจุบันนาสียาน แกโลกาจินในการแท่แสงส ว, าางว่างแสงสว่างตาเนี่ยทาไงดีเจาะหลังคาเขาให้ดันไปเจาะหลังคาฝนรัลลวเสร็จนะใช่ไหมเขาใช้แสงไฟเอาไวนใน้ในแมใหละไม่นถังในเฉลือดอะไร ไ, ไม่หิ้คมไฟให้เห็นได้แสงสว่างที่มันออกมาจากทางหลงและทางฝากถัง ในสมัยนี้ง่ายใช้กระแสไฟฟ้าสบายสมัยก่อนลําบากเราต้องใช้เทียนดีแต่แล้วบังให้ตัวเปลวไฟเห็นแล้แสงสว่างแล้วก็จับเอาจําภาพแสงสว่างแล้วก็หลับตาในทุกภาพนั้นแล้วก็ภาวนาว่าอานโลกับสินังมก็เหมือนกันตัวแสงสว่างนี่เราเพ่งแล้วมันไม่ใช่สว่างมากขึ้น สว่างพิ่มขึ้ไปเต็มโลกอันนี้ใช้ไม่ได้อันนั้นเขาเป็นอุลังกาเกเรคุยบสาสนาญาที่เดียกมาโอคานใช้ไม่ได้ที่จะใช้ได้ก็แสงสว่างนั้นที่ได้เห็นด้วยแสงสว่างธรรมดาต่อมามันก็รวมตัวนาพิ่มขึ้นเป็นสีขาวแล้วก็เป็นรากระจายเหมือนกับนิมิตยอย่างของสิ่งอย่างอื่นเหมือนกัน ไอ้เมสว่างโล่งไปทั้งโลกอันนี้ผิดผิดเพราะอะไรเพราะนั่นเป็น เ, เขาเรียกว่าเป็นอุปาจินเล ข, ของอุปัสนายานเป็นตัวสมถาะาแต่มันไม่ถูกถ้าเรานึกว่ามันสว่างทั่วไปเป็นของดีงนี่ชำไม่ได้แล้วสว่างนี้ต้องรวมตัวเขาเ้าไปสีขาวแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นร่กายแผ่วเบาอย่างใช่หนเนี่ยโลกาสินนี่ก็าใช้สําหรับในสถานที่บางแห่ง ที่มีความมืดแทนที่เราให้เตโชกสินแล้วก็แชะโลกศิสินแทนให้เกิดแสงสว่างขึ้นนะ <c oughs> แล้วก็เป็นปัจจัยของที่พิจอย่ญญาตอนนี้มาว่าถึงขั้นสุดท้ายคืออากาศกับศิลอากาศเห็นดูเป็นไงใอ้ดูอากาศเห็นมั้ยน้านายเห็นมัหึไอ้เห็นไม่เห็นได้ล่งลงเนี่ย ด <dle up> ีกินแลยละไอ้ตัวของอากาศมันเห็นไม่ได้ก็มองสรงเด็ดไปนะยับสรงเด็ดไปไอ้หลงหลงในมายอากาศแต่ว่าเขาจะหาจุดเป็นจุดเฉพาะไว้ทําเป็นวงกลมสมมติเราเราเข้าไปอยู่ในห้องมึดๆหน่อยไอ้ช่องหน้าต่างาว่ามันกว้าง เ, เปิดหน้าต่างไว้เอาอะไรเขาปิดเจาะเป็นช่องวงกลมไว้มองเห็นโดยเฉพาะมันจะได้เป็นจุดสำหรับดู มาจำได้ก็หลับตาในถึงภาพภาวนาว่าอากาศีไหนแน่ผลที่มันจะเพิงได้ก็เหมือนกันมีมิติเดียวกันที่ผมบอกแล้วว่ามันไม่ยากถการได้กระสิงกองใดกองหนึ่งถึงชาดีแล้วเนี่ยเก้าสิบสองเก้ากองเนี่ยใครทาใหม่เกินกองในเจ็วันที่ชาดีเนี่ยมันตววเต็มที่ ถ้าผมอยากจะพูดว่าถ้าทาเต็มสามวันถึงทานสี่จะได้ก่อมันเร็วมากกอารมณ์มันเหมือนกันมันเปลี่ยนไดเพียงรูปทัรณเองไม่คูค่คัดเพียไม่กี่นาทีไอจิตมันเข้าถึงแล้วมันก็ถึงอารมณ์มันถึงไม่ง่ายนี่เดียวทีนี้เทป ย, ยังเหลืออยู่ก็ขอสรุปเรื่องหอยนี่การศิลเนี่ยก็มีในแบบแล้วและวิธีปฏิบัติให้ี่ในนิพพสนา ย, ยานก็บอกมาแบบเยอ จะได้รู้ไว้ถ้าไม่รู้ไว้เน่ยมันแย่หน่อยเพราะว่าเราศึกษาความรู้ในพุทธศาสนาไม่ครบถ้วนในการปฏิบัติม่นเอาดีไม่ได้แน่ถ้าหากว่าเที่ยวดีไม่ได้ก็ดีไม่ดีใครเขาทำถูกแต่ว่าเราไม่เคยรู้เมื่อกูบาอาจารย์ไม่เคยสอนจะบอกไม่น่าไม่ทูกล้วรื่องนไม่ได้อาจารย์ฉัไม่ได้สอนอย่างนี้ต้องทำอย่างนั้นทีื่อดีกว่าอย่างนี้ นี่ไม่ไปทำลายความดีเขาใช้ไม่ได้ต้องศึกษาศกนี่สำหรับท่านที่ต้องการทำอริสเขสร้างอริสในกสิณให้ปรากฏเวลาได้กสินทั้งหมดสิบอย่างแต่วามนยิงท่านใช้แปอย่างที่สองอย่างเกิดสมไมอากาศกสินก็โลภสีเพราะเมื่อก็ได้อยู่แล้วไปหดตัวสองอย่างไม่เกิดประโยชน์ ก็ใช่สิบอย่างนี่แหละเข้าฌานตามลำดับฌานคือฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ของปฐวีกสิทิแล้วก็เลื่อยมาทุกขสินเท่าจมากสินต้นเราเข้าถึงฌานสี่มากสินที่สองเข้าฌานหนึ่งสองสามสี่นะจะไปเข้ากสินที่สามหนึ่งสองสามสีว่าไปงี้ถึงสิบกสิทธิแล้วก็ถอยหลังเข้าฌานหนึ่งสองสามสี่กสิทที่สิบมาถึงกสินที่หนึ่ง ว่าไปว่ามาว่าปาว่าไปแบบนี้ให้จิตคล่องลึกขึ้นมาล้วเมะไรเป็นชานระดับกัรปดิบัติแล้วย้าเข้าชานหนึ่งด้วยชั้นสีชั้นสองชั้นสามเมื่อไรก็ได้เอาแค่เพียงว่าคิดว่าเราต้องการเข้าชานจิตเป็นชันทันทีเขาต้องคล่องแบบนี้นหะก็ตามลําดับชา้นต่อไปก็สลับชั้นเข้าชั้นหนึ่งแล้วก็ไปเข้าชั้นสีเข้าชั้นสีแล้วเข้าชั้นสา สลับกันไปสลับกันมาแต่ละจังหวะจนคล่องลืมตามาปั๊บมันจะเข้าชานเข้าได้วิ่งมาเหนือหน่อยๆมันจะเข้าชานเข้าได้ทุกได้ทันทีไม่เสียเวลาไม่ไปชั่วขนาดติดเดียวมีความคล่องตัวท่อนั่นนี่แล้วต่อมาก็เข้าชานสลับชานสลับกระสือ เข้าชั้นหนึ่งขององชั้นเ่าชั้นหนึ่งเขาก็สิ้นที่หนึ่งไปเท่าชั้นสี่เมสิ้นที่สีส่สลับกันไปกลมาแบบให้คร่เมื่อคล่องแบบนี้แล้วนึกมาว่าอะไรเป็นชันได้ทันทีอย่างนี้ท่านเด็กว่าเป็นผู้ทรงกระสือเรื่องห้พิญญาอภิญญาในอภิปรายยิง่งเรื่อใหญ่เรว่าทับแต่เด็กสามอย่างญาตประว แก็รู้ยิ่งใหญ่กว่าคนอื่นรู้ยังไงพระสงฆ์เดินไปเดินมากแกล้งให้เป็นพระแก้ผ่าท้กคนเลยี่สำหรับอากาศกระสินอากาศกระสิงลืมบอกไปแล้วก็ทําของในที่ลับให้เป็นที่แจง้งนี่หมายความของที่อยู่ในหยิบในห่อนที่ปิดบงังถ้าเราต้องการจะรู้พขาช้อากาศกระสิน มันย่อปรากได้เสียงที่ติด บ, บังแล้วไม่เหมือนก็ไม่มีอะไรติดไปอากาศไปหมดนี่แล้วเวลาที่เราจะใช้เป็นอสัญญาสมาบัติก็ทำตามที่กล่าวมาแล้วเป็นอันว่าเรื่องจะถิงจะจบแค่นี้นะถ้าห ร, ราเินญาเนะคุณถามผมผมบอกได้าว่หาจะศรรึกษาโดยละเอียดผมบอกไม่ได้ผมไม่อขอให้ใครก็ผ ม, ม่า ไ, ไม่ได้นี่ห้คนจริน มันได้มึงไม่ไง ก, ก็ห้ามใช่แต่ว่าก็ไม่ควรจะใช้ถ้าเราจะใช้ก็ใช้แค่วิชาสามพอแล้วนะแค่ทําจิตเป็นสมาอ เ, เป็นทิฏฐิจุต ญ, ญาณแล้วก็จุตูปญญาปาตยานเจตูปเรสญาณเรียกว่าระลึกข่านได้เห็นสีเห็นษาเห็นธรรมดานได้เท่านี้พอเอาลราสาหรับการเสียงที่สอนมาสำหรักว่าก็พอจบกันเพียงเท่านี้นะ ที่นำมาบอกกับท่านไว้ก็เพื่อท่า น, นหลายจะได้มีความรู้ดีไม่ดีใครเข้าไปสอนเสี่งที่เราไม่รู้เข้าเราไปคล้ายๆเขาเข้าจะเป็นกลายคล้ายๆคำสาวขคำบู้งแต่เจ่าจะกลายลงนรกไปไม่มีประโยชน์ต่อจากนี้ไปเราขอเลิกึงทธมนี้พุทธศิลาแล้วนะไม่ร อะระหังสัมมาสัมพุทโธบรตวะคตังบรตวันตังอะภิวาเดนะโทวาตุบรตวะตาสมุทสมมติจามิ สุปาทิปันโนภะวะตุสาวกัสังโคทั้งขังนักมามิ